อ, อาจารย์ตุ้มมาทำวัดอันนะี้จำไม่ได้โอ้ท่านป่วยเป็นคุณสุขคนใสเียี่ยีสุขสใสอะไานหยาบบอกเพื่อนนะไม่ได้ไปเยี่ยมอนจะจะติดแต่ยังไม่เคยเป็นเหมือนกันมันไม่เคยเป็นนะเป็นตอนอายุมากๆนีก็เลย มาแล้วตอนออกมาแล้วดวันนี้เราได้เห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือใครที่ไปฟังธรรมนะที่ลานหินโคง้งตอนช่วงสี่โมงเช้ามีพระที่ท่านเป็นสักธรรมมิกนะกับหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็เป็นพันเต เข้าใจไหมพูดอย่างนี้พันเตก็หมายถึงัพี่ที่บทก่อนพระที่บอกทีหลังก็เรียกว่าอวุโสเนี่ยตอนนี้ก็มีพันเตะก็คือหลวงพ่อกรมอาจารย์ชัดชัยพันเตะพันเตมาทำพิธีสวดมนต์กันลายความก็รดท่านเห็นคุณธรรมในตัวหลวงพ่อคือฟังธรรมโดยความเคารพ พระ อ, องค์เทศที่ท่านนิมนต์ให้เทศท่านจะลงไปนั่งฟังนลุณธรรมก็นโอ้ความอ่อนน้อมท่านไม่ได้แสดงถึงว่าท่านเป็นผู้ที่รู้หรือว่ามีทิฏฐิไม่สามารถที่จะรับฟัง คำพูดคำเทศคำสอนของผคนอื่นได้แม้ต้องยอมพูดนะา่าสังเกตดูพ่อให้ความเคารพยมพูดก็ให้ความเคารพทำไหะหาดูที่ไหนได้ฉากนี้นเป็นการแสดงออกคุณธรรมไม่ใช่เป็นการเสรแสร้งแต่มเป็นลักษณะของพระวนันชัดเจนมากเพราะนั้นเราก็ หลายสิ่งหลายอย่างที่เมื่อเข้าวัดเข้าวาเราก็เรียกว่าลดและเลิกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเคยมีในตัวก็เรียกว่าตัวตนนะนะมันก็สามารถที่จะน้อมเข้ามาใส่ตนปีปฏ า, ามเลยครูบาอาจารย์ติดตามไม่ได้ไหมายถึงว่าถึนสองบาท ไม่ใช่แบบนั้นรู้จักไม่เถนสองบาทตะเถนสองบาทมีเรื่องก็เล่าอย่างนี้ไงว่าตะเถนเถระนะตะเถนคือเถระพระเถระ10ปีขึ้นไปแล้วตะเถนเถระพระเถระเช้ า, ชาพอฉันบินบาบเสร็จก็ไปล้างบาทกระนี้บาทเหล็กสมยโบราณเนี่ยมันรั่วก็ต้องคอยอุดอยู่เป็นประจำ ทุกวันหลังจากที่ล้างเสร็จก็ส่องกระแสงพระทิตย์ดูว่ารูมันรั่วหรือไม่ถ้ารั่วก็จะอุดคนนเนนเห็นพฤติกรรมของพระเถระต ะ, ะเถ็นคนนี้ทำเนนก็มีบาทใหม่เยอพอเห็นตาเถนทาก็ทาตามพอล้างบาทเสร็จบาทไม่ได้รั่วนะก็เห็นก็ส่องก็ยกก็มัก็ยกดูตามเรียกว่าเถนสองบาดคือมัรั่วทาไปทาไม กันนี้เราผู้ที่อยู่วัดอยู่ว่าได้ยินได้ฟังคุณธรรมต่างๆที่มีอยู่ในตัวของพระริยะต่างๆรวมบุคคลที่มีสติมีปัญญาความหม่อนนอนตอนตอ น, นถึงเวลาเป็นผู้ฟังเป็นผู้ฟังแล้ให้ผู้เทศได้เทศไปหลวงพ่อไม่มีผู้ส่วนแม้แต่คําเดียวนะเวลาที่องค์แสดงทานเทศถามเวลา ถามให้ยอมพูดพระไม่ต้องพูดพระนิ่งเงียบหมดเลย <Yeah. S 1> ไม่ตอบเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้พระพูด <Yeah. S 1> พระก็รู้หน้าที่มีสติเหมือนกัน <Yeah. S 1> ถึงเราจะเคยสอนคนสอนพระสอนอะไรมาก็ตามถึงเวลาเรียนก็เรียน <Yeah. S 1> ยังมีอีกครั้งหนึ่งไอมาไปที่แลนด์มาร์คฟอรัมฝรั่งสอนด้วยนะคริสสอนด้วนยะ เราดำหลีเลยเราจะไม่แสดงออกอะไรเลยว่าเรารู้อะไรมานิดเดียวก็ไม่แสดงออก <Yeah. S 1> ให้เขาได้รู้ว่าเรารู้อะไรไม่ต้องแต่เราจะมารับรู้ว่าท่านสอนอะไรท่านบอกอะไรท่านชี้อะไร <Yeah. S 1> ไม่มีการพูดโต้อตอบอะไรทั้งหมดไม่มีเลยเพราะเรารู้หน้าที่ของเราอย่างเงี้ยนะวันนี้นมาก็มีเรื่องอีกเรื่องก็คือยายของอาตมา อายุ96ปีแล้ววันนี้ก็เสียชีวิตแล้วเคยไปช่วยท่านอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อ3ปีที่ผ่านมาตอนอายุ93ปีเขก็บอกว่าให้ตายที่โรงพยาบาลครั้ น, นี้หมอพยาบาลก็บอกให้กลับไปตายที่บ้านมันก็แย้งกันระหว่างโยมญาติคนไข้กับหมอผู้รักษา วินิจชัยแล้วว่าเป็นโรคชะา93าปีก็สมควรที่จะกลับไปตายที่บ้า น, นแต่ด้วยความที่ยายก็ยังเหมือนกับพอจะมีเลี่ยวแรงแม่ก็เลยโทรมาบอกว่าเขาจะกลับไปตายที่บ้านเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะอนาวะก็เลยเนี่ยโดดไปวันนั้นมีคอทอยู่หลังจากกลางคืนปล่อยคนนอนหลับแล้วก็นั่งรถไป ขึ้นแอร์ชัยภูมิไปลงที่กรุงเทพต่อกรุงเทพไปชนบุรีเข้าที่สัถิติไปดูที่โรงพยาบาลปรากฏว่ายายเห็นผ้าเหลืองนะี่โอ้บุญเกิดขึ้นมาคนแก่ใกล้ตายคนป่วยเจ็บเวลาเจ็บหนักจะตายเห็นพระนี่เกิดบุญอย่างสูงเลยคนทุกข์ก็เหมือนกันมัจจะคิดถึงว่าถึงว่านะทำบุญใส่บาตรต่างๆ ความดีความงามอยากจะกลับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเวลาใกล้าตายเชียดตายนั่นแหละตายสุดเปลยนผ้าเหลืองพูดให้กำลังใจอยู่ได้อีก3มปีมาตายตอนเนี้ยปีก็นึกถึงอยู่นะวันสองวันนั้นนึกถึงดานอยู่นึกถึงว่ายายเป็นไงบ้างมันก็แวบๆขึ้นมาเหมือนกันคนเฒ่าแก่ชรามันก็เหมือนไม้ใกล้ฟัง มีถ้าจะผูกจะพังรมหายตายสู์ไปก็เคยได้บอกเรื่องฝึกสตใิให้ใยนอนรู้เนื้อรู้ตัวกำแบรหรือว่าพลิกความพลิกงายความมืองายมือเคยไปบอกไปชี้เพื่อจะเป็นทางสว่างในบ้านปลายของชีวิตเห็นว่าควรบอกคนใกล้ชิดบ้าง โอกาสที่จะบอกมันน้อยแล้วกันก็ใสจังหวะ น, นั้นนะส่วนใหญนะ่จิตใจขอเรามันชอบไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยตอนแก่มันก็จะมาทางจิตใจแลังวันตาทะวันหูไม่อร่อยประสาท เ, เสียหูก็ตึงนะตาก็ฟ้าฟางสั้นๆยาวๆเบล อ, อ เราว่ายาวขาวตึงตะไครยาวขาวแล้วก็ตึงแสดงว่าโลกชะลาบาเยือนแล้วเราความหลังชมเด็กสาวเราความหลังแสดงว่าแก่แล้วเพราะะฉความรู้สึกตัวจะเป็นที่พึ่งไปใ น, นไม่จิตของเราบันบาดวันบางทีมันกลัวมันเบื่อ อางเช่นยะ อ, อนตมาตายตอนอายุเกบสาปีอายุยืนนะตระกูลอนตมาเนี่อายุยืนมากตายยังอยู่จะร้อยปีแล้วคราวนี้ยา่าบ่นเบื่อเบื่อเหลือเกินตอนอายุเก้าสิบสามนะไปเยี่ยมตอนนั้นไปพุนทธมณฑลไปสอนธรรมแล้วก็แวะเฉล็บไปที่บางกสอบบางกสอบโสดปราการแวะไปเยี่ยมยะยะเาบอกว่า ไม่รู้จะอยู่ไปทาไมอยากตายอยากตายเคยเห็นไหมคนแก่บนแบบนี้เคยเห็นไหมเออเขาบน่นเอาไว้ก็บอกยาเอ่ยยาทําบุญทําทานมาเยอะนะพุโทโธเคยทาลมหายใจเคยปฏิบัติมาองี้วัดมาเหยยงกับไปอาจารย์สุรศักดิ์ท่านสอนให้ปฏิบัติทำมาเมื่อบ่นทําไมนอนอยู่ในห้องเพลาบ่นอยากตายอยากตายโอ้เสียสักเสียจริง นี่มารู้สึกตัวนี่กรรมรู้สึกแบรรู้สึกนี้เจริท่านกรรมแบรกรมแบอยู่สองวันไปหาวันอาทิตย์ไปก็แวันอัอองคารตายซะและ้วแต่ว่าตายอย่างมีสตินะขณะที่กินส้มแล้วก็ชาดมันติดคอเกินไม่ลงมันไปปิดลมหายใจก็ต้องระวังนะคนแก่เนี่ยให้กินส้มทั้งเกียบเนี่ยอันตรายหายใจไม่ออกปิดหลอดลม นะพวกนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราเน่ยเรของจริง เ, เทวทูตของคนอื่นแล้วก็นอก็มาใส่ตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันวันเวลาล่วงไปล่วงไปมันก็ไหลสู่ความตายของมันไปสู่ความแก่แล้วไม่มีใครหลอกตายโดยที่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วยมันมีอยู่โรคชราก็เรียกว่าป่วยมันนะป่วยเป็นโรคชราโรคขาพยาธ่มันมากมายเหลือเกินน ในบัด น, นี้วิสาขามันก็เวียนมาครบรอบอีกแล้ววันพุ่งนี้เป็นวันวิสาขะเราก็ได้เห็นว่าออปรากฏการณ์ด้วยการปฏิบัติธรรมของคนคนหนึ่งคือเจ้าชัยสิทธะพูะเจ้าก็อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ภาวะของพุทธอุทานที่เมื่อกี้เราสวดกันนะ เมือ่อใดทาปมีสติเพียงเพ่งอยู่เนะมื่อนั้นมันก็เดินทางสู่การพ้นทุกนะข์ขณะที่มีสติเพียงเพ่งอยู่มันก็ดูรูปธรรมนามธรรมเห็นอาการต่างๆตามความเป็นจริงนะจนอุทานขึ้นมาเลยปัตโทนะปัตโตความคิดการป่งกันแต่งสังขารเหนะมือนเราจริงๆอันนี้ตอนยามสาม เจอพยามารก็เหมือนเราที่สุดในโลกเลยแล้วมันอ้างว่าเป็นเราซะด้วยนะเราคือมันเราอาศัยมันอยู่คือความคิดของเราบอกเราอาศัยมันอยู่ความคิดนะเป็นภพชาติพระเจ้าบอกว่านี่แม่ธรณีเป็นพนัญญาท่านกนะ็คือช่างในช่างผู้ปรุงแต่งนะเป็นสถาปนิกอาร์เคดตกออกแบบ แม่ตอนนี้เป็นพยานท่านไม่ใช่บ้านของเราท่านไม่ใช่เราบรรลุธรรมเลยเกิดอาสวัคยญาณาขึ้นไหมตอนยามสามคือทีสามถึงหกโมงช้าของวันเพ็ญเดือนหกวิสาขมาศยามสามเราลองดูช่วงนี้อาศัยเทศกาลรื่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรากำลังศรัทธาความเชื่อเชื่อว่า น, นิพพานมีจริงไม่ต้องเชื่อแล้วทำดีก็ดีทำเชื่อก็เชื่อกรรมาฐานเดินทางไปส่นิพีย์ผานเชื่อตรงนี้กรรมาฐานก็คือฐานของกรรมที่ตั้งของการกระทาที่ลมหายใจท้องพองยุบแต่ที่นี่เราฝึกแล้วปลุกกันด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเคลื่อนไหวต้ามันปลุกดีแล้วทาอะไรก็ทาไป มันก็จะตื่นตัวดีบางทีเราปฏิบัติไปมันมีความง่วงไงยทำไงต้องดื่มกาแฟไหมบางคนพกกาแฟมาด้วยนะพอง่วงก็เดินกลับกุฏจะไปชงกาแฟกินนะมีอย่างนี้ด้วยในพระสูตรไม่มีนะพระอานอน์เมื่อเข้ากรรมฐานแล้วรู้สึกว่ามันง่วงก็แม้กแฮนย้อนทักแก้วเ่ยกาแฟหรือว่า ไปทําอะไรก็ได้เด่มเหล้าเมายาสิ่งเสพติดมันไม่มีหรอกรถละเลิกมันศีลข้อห้านันกาแฟสุลาเมลายะมัดชัดมัดชัดอกาแฟสิ่งเสพติดฮะสุลาของเหมือนเมาเมลัยก็หมักดองมัดชัดกับสิ่งเสพติดทั้งหมดน่นที่เราติดหมากเมี่ยงบุรีพลูพวกนี้ใจหมด อะไรที่กินเนดินต่างขาดไม่ได้นะสิ่งเสพติดแล้วในวันนั้นมา ว, วัดมาวาก็ลองดูหลายสิ่งหลายอย่างเราสามารถที่จะทำได้นะหากมีสติเตือนรูป้ปลุกตัวเองอศรัท ธ, ธาต้องมีความเชื่อต้องมีประกอบด้วยปัญญาสักหน่อยศรัท ธ, ธามากเกินไปก็เฉโกไปเลยโง่หลงงมงายไร้าสาละไปปัญญามากก็คู่ไม่เชื่อเราไม่เชื่อ พูดไปเถอะเข้าหูซ้ายออกหูขวามันมีแต่ทิฏฐิมาหน้าตาตัวตนมารองรับหมดเพราะนั้นประกอบเข้าด้วยกันไม่เชื่อแต่ไม่ปฏิเสธตัวนี้นะไม่เชื่อคือศรัทธามากเกินไปแต่ไม่ปฏิเสธก็คือไม่ให้ปัญญามากเกินไปก็รับฟังเอาไว้โอ้มีแบบนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> เราก็จะได้เหมือนกับว่าใช้สิ่งแวดล้อมการลเทศะ ได้ถูกต้องในวัดที่นี่นะเน้นว่าเออลองดูคนใหม่นะที่พูดโดยเฉพาะว่าคนใหม่นะให้ลองเข้ารูปแบบส่วนถ้ารู้แล้วจะพายว่ารูปน้ำรู้แล้วว่าสติตื่นมันเป็นยังไงเอานอกรูปแบบทำไปอยู่กลัวก็ได้คนกลัวก็ไปคุยอวดหลวงพ่อที่ท่านมาวันนี้นะบอกว่าเอยทำกลัวก็ปฏิบัติทำได้ เวลาหัน่นถ้าไม่มีสติมันก็จะหั่นนิ้วตัวเองถ้ามีสติอยู่มันก็หั่นผักประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องมันก็จริงกระทาเป็นอย่างนั้นก็น่าอมตะนายิงเจือลงไม่ยิงเข้มแข็งเพราะว่าคนผ่านไปผ่านมามันเยอะคนน้ น, ไ ป, งง น, น, นไปอย่างนั้นคนนี่ไอย่างนี้บางทีก็าหารถูกปากไม่ถูกปากบางทีก็ มากไปน้อยไปมันก็เป็นที่รองรับอารมณ์ของคนประนั้นมันก็เป็นการฝึกเวลาอารมณ์มากระทบกับรู้สึกไปกล่าอารมณ์ว่ารู้สึกตัวถ้ามันผ่านได้ก็เข้มแข็งดีวันดีคืนสมัยหนึ่งในประเทศจีนก็มีเวรหลางเวรหลางนี่อยู่ครัวผ่าฟืนนี่แหละก็ว่ากันว่าจากตำราหนังสือ เวลามาสมัครงานขอปฏิบัติธรรมปรากฏว่างานที่จะมาปฏิบัติธรรมนะกรรมฐานนะอาจารย์ไม่ได้ทำนะชี้ไล่เข้าอกกลัวไปเวยล์ลางก็มีหน้าที่พาฟืนพายอยู่นั่นแหละ ว, วันหนึง่งพระที่ท่านเรียนท่านฝึกกรรมฐานนะ มีการประลองวิชากันใช้ปัญญาใช้สภาวธรรมที่มีอยู่ในตนเขียนฉลกออกไป <Yeah. S 1> ก็มีคนก็เขียนอะไรล่ะกายเหมือนต้นโพ <Yeah. S 1> จิตเหมือนกระจกใสสะอาดฝ <Yeah. S 1> ุ่นทุล <Yeah. S 1> ีมาเกาะมันเช็ดถู <Yeah. S 1> กระจกก็ใสสะอาด ก้าคนะคโอ้จุจุจุจุเก่งจริงๆเชิญชมเชิญชมเมื่อหลายเมุงกันหลังจากเลิกงานผ่าฟืน้นมายืนดูก็เขียนอะไรนั่นอ่านไม่ออกหนังสือไม่รู้อ่านว่าไงไหนลองอ่านให้ฟังไหนก็เชิญชมอะไรกันเพื่อนก็อ่านให้ฟังเอ๊ ê, มัน ลองเอาของเราไปเขียนบ้างดิก็เลยเขียนบ้างว่าเขียนเองไม่เป็นนะะขาฝากเพื่อนเขียนไว้ไม่มีต้นโพไม่มีกระจกแล้วฝุ่นจะกองอะไรฝุ่นมันจะกาออะไรก็เขียนไว้อาจารย์มาเห็นก็โอ้ี่ของใครเนี่ยของใครเนี่ย โอ้เว่ยลางเขียนไว้คนที่พ่าฟืนเลยเหรออาจารย์นี่รู้แล้วโอ้คนนี้มีธรรมะบรรลุธรรมแล้วเนี่ยแต่กลัวมากกลัวลูกศิษย์เดกกันอิจฉาริษยากเลยกบทับทันทีโอ้โหเอาตีนลบเลยเอาตีนลบเลยมันเขียนได้ยังไงเนะี่ยบังอาจ อย่างนี้นนะเสร็จแล้วก็พาเราไปหาเวรลางมาก็พาไปที่เวรลางเสร็จแล้วเวรลางก็หนอบน้อมกับอาจารย์อาจารย์ขอคารวะอาจารย์มาหาผมด้วยเรื่องอะไรบังอาจมากไปเขียนได้ยังไงคือไม่เห็นด้วยแสดงออกแบบนั้นนะ เสร็จแล้วกระเทืบเท้าสามทีกระเทืบเท้าก็คือสามทุ่มคืนนี้ให้ไปหาคนมีปัญญาก็รู้กันไม่ต้องบอกแสดงอัปปะกิกริยาอ่านอ่านกันออกเนบางทีก็ไม่ได้พูดเราก็แสดงออกอะไรกันบางอย่างคืนนั้นมอบบาทให้หนีไปให้ไวให้หนีไปให้ไว ปรากฏว่าลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เอกมาดูกันเอาบาดหายเนี่ยรู้แล้วอาจารย์ยกให้เวรหลงังก็าตามล่าหาเอาบาดกลับมาเวรหลังก็ล่องเรือนี้ไปเรียบร้อยเลยปลอดภัยไปหลบอยู่หลายปีดูสิมันก็มีจริงๆเหมือนกันเพราะนั้นมันต้องปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติสักอย่างในรูปแบบก็ได้นอกรูปแบบก็ได้ จะทำอะไรเป็นก็ทำไปเถอะทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าทุกมันลดก็ทําไปขวาดใบไม้ก็ดนะมันไม่รีคใช้ความคิดอะไรใช้แรงกวาดไปเรื่อยๆกำลังจิตกวาดแค่ใบไม้มันมีความคิดแล็บออกมากระแตงอ่ะนั่นแหละเหตุแห่งความทุกข์สมุทัยตัวความคิดถ้าหลงเผลอเข้าไปปรุงแต่งกับมันก็เรียบร้อยเราก็เลยเห็นว่าสมัยพุทธกาลเองก็ตาม สมัยพระเจ้าเนี่ยฟังธรรมนี่มีการบรรลุธรรมกันจริงๆเช่นพรานยาโกธั ญ, ญะอย่างเี้ยนะได้ฟังธรรมจักรกระเป๋าะล่าสุเพียงครึ่งชั่วโมงก็บรรลุธรรมแล้วรูปแรกเลยปัจจวัคีอีกสี่รูปนั่นอนันตารักณะสูตรก็บรรลุธรรมเลยแต่ลองสังเกตให้ดีณวันท้ายสุดที่องค์สมเด็จสัมมาเจ้าเนี่ย สเสด็จ ด, ดับขันบาลีนิพานนะสุพัท ธ, ธาบาลภาชกนะไม่ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนะไม่ใช่ไปเดินจงกรมท่ามกลางแสงจันทร์นะวันเพ็ญเดือน6กก็คือห้าขั้มนะเพราะวันที่ประสูติตัศลุและบาลีนิพานนะคือวันเดียวกันนะวันนั้นสุพัท ธ, ธาบาลภาชกนไปเดินท่ามกลางแสงจันทร์มันคือเดินจงกรมนะ เพราะนั้นอย่าอ้างรอยยกเนี่ยฟังทำรรแล้วก็บรธธรลุถามมอยา่าอ้างเลยเพราะว่าท้ายสุดขนาดตอนท้ายของวัตถองค์เนี่ยยังมีการไปเดินจงกรมเลยท่ามกลางแสง จ, จันบอกว่าขณะนั้นหน้าตาของสุภธะเนี่ยนวลยิ่งกว่าแสง จ, จันทขณะที่สาเร็จอรหัตผลนั่นละเพราะฉะนั้นมันมีร่องรอยอะไรหลายอย่างแล้วก็ฟังเอาไว้นะเช่นวันนี้เราก็ฟังเอาไว้ ใครคือคนที่พูดแสดงธรรมมาฟังไว้ก่อนเราไม่แสดงถึงลักษณะของสังฆเพศสังฆเพศหมายถึงอะไรคนที่บรรลุธรรมไม่ได้นะมันไปทําสังฆเพศนะก็คือฟังแล้วก็ชอบฟังแล้วก็ไม่ชอบสังฆเพศเป็นอย่างนั้นนะฟังแล้วพระรูปนั้นพูดดีพระรูปนี้พูดไม่ดีคนนี้พูดดีคนนี้พูดไม่ดีคนนี้เป็นโยมคนนั้นเป็นแพระคนนั้นเป็นชีแบ่งแยกนะเรียกว่าสังฆเพศ วัดนั้นทําอย่างนั้นวัดนี้ทําอย่างนี้ทําไมทําอย่างนั้นทําไมทําอย่างนี้นะประเภทนี้สังฆเภทหมดเมื่อแต่วิตกวิจารณ์เมื่อแต่วิภาควิจารณ์เมื่อแต่คิดปรุงปรุงแต่งแต่งไปเสียเวลาจริงๆแล้วก็จึงมีตัวนึงก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกสิพอเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวเนะี่ยที่นี่สอนอย่างนี้วัดป่าสุกโตใครสอนอะไระสอนไม่เถอะ แผมเลยทํมมามจะสอนแบบนี้นการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเนี่ยมันทำให้เราเห็นความคิดได้ชัดมากเลยถ้าทำถูกนะแต่ทำไม่ถูกก็ไม่แปลกลว่านั่นคือประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเราก็เรียนรู้ไปเรียนผิดก็เรียนเลียนถูกก็เรียนแต่ว่าเลือกเป็นท้ายสุดกรารู้รอบรอบตัวเลยก็จะเป็นคนรอบคอบ เมื่เรารอบครอบจิตมันก็ว่องไวไม่หลายแงย่หลายมุมแล้วก็ไม่สรุปไม่ด่วนสรุปนะก็เหมือนทีหลวงพ่อท่านพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรนะอย่างวันนี้ท่านเล่าถึงประวัติพัดใครไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเพิ่งได้ยินได้ฟังวันนี้มั่งที่ท่านสู้มาต่อสู้มายกมือขึ้นนะอหลายคนเนี่ยกว่าจะได้สถานที่แบบนี้มาเนะี่ยท่านแสดงภูมิจิตภูมิธรรม ที่เกิดมาจากเหตุไปเรียนรู้กับหลวงปู่เทียนมาก็คือนั่งยกมือสิบส่จังหวะเดินจงกรมรำมาเจ้าท่านรู้เรื่องบุญเรื่องบาตรู้รูปรู้นามลู้กุศลลว้กุศลรู้เรื่องของวุฒนาเห็นพระไตรลักษณ์เห็นการเกิดการดับของจิตของอาการต่างๆที่ปรากฏสภาพธรรมต่างๆสภาพธรรมต่างๆ เห็รูปทุกนามทุกเห็นรูปโลกนามโลกมันเห็นจะทามันได้คําตอบเห็นโทสะโมหะโลภะโอนะ้โหนเห็นในนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ต้นๆเนี่ยต้องรู้จักเลยตรงนี้แหละมันจะมันพาเราไปเมื่อลมรูปนามมันแตกฉานขึ้นมาเออมันก็จะรู้แล้วแหละความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ของตัวเองศีลปรากฏหรือว่า รู้ศีลมันก็จะรู้ได้แต่กายวาจา ย, ยังเรียบร้อยอยู่แน่นอนนะศีลก็ปรากฏจิตใจยังเป็นปกติอยู่ศีลก็ปรากฏเนี่ยเราก็รู้ที่ตัวเราหน่อยใครมารู้เราหรอกเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวแล้วปัจจตังเมื่อเราไปฏิธรรมแล้วนะรู้ได้ตัวของตัวเองนะมันจะเกิดขึ้นมาแล้วปัจจตังใครจะเพูดอะไรเราไม่ได้สนใจหรอกเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้ เราทำเวรทำกรรมก็ตัวเราเป็นเวรเป็นกรรมของตัวเราเองทำชั่วก็ช่วยเองทำดีก็ดีเองทำบุญก็มีบุญเองทำกรรมฐานก็จะลาดขึ้นมาเองส่วนตัวบางจะไปรู้เรื่องของศีลขันจะมาที่ขันอย่างเงี้ยนะปัญญาขันก็คือมันถียิบเลยมันรองรับแล้วมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงๆแต่ถ้าเราไม่รู้ว่า ปัญญานะมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีตัวสัมผัญญามีตัวสตนะิมันมีตัวสมาธนะิมันมีความรู้สึกตัวมีการเคลื่อนไหวเราต้องเจตนาเคลื่อนไหวกายด้วยอย่างเงี้ยเรารู้ของหยาบรู้กายหยาบหยาบท้ายสุดมันไม่หย่ารู้กายหยาบหยาบมันรู้รอบกองสังขารนะเป็นปัญญาไปเลยนะโดยที่เราไม่ต้องร้องขอ หรือว่าไปหาดูไปหาดูคิดเอานะแต่เขาถ้าเป็นการสัมผัสนี่มันตรงๆลงไปนะอะไรที่มันเกิดดับนะมันก็อยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้านี่แหละนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญกับมันหรือว่าอะไรที่มันเป็นสภาวะทุกข์ที่มันเคยมีค่าเราเคยติดกับดักตอนนี้เราไม่ให้ค่ า, ม, คามันไม่ให้ราคาเรียกว่าบิราคานะ วิลาขะเกิดขึ้นไหมนิ่พิทาเกิดขึ้นมาเบื่อนายคลายจางมันก็บิลาขะเกิดขึ้นไหนาา ม, เ, มเราก็ไม่หาทางตาดูทางตาไม่หาทางหูไปฟังทางหูเนี่ยจมกูกเล่นกายใจแล้วไม่หาวัตถุ ก, กรรมคุณ mm hmm. วันนี้ท่านก็เปรียบเทียบไว้ก็เหมือนต้นไม้มีจอมปลวก mm hmm. มีต้นไม้ขึ้นในจอมปลวก mm hmm. มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ แต่ก็จะเปรียบเทียบออกมาอุบมาอมาอะไรก็แล้วแต่ บ, บางทีก็เปรียบเทียบว่าจิตใจของเราสุขสนออกไปทางตาก็เหมือนงูตัวนึงฉกเลยทันทีออกไปทางลิ้นลิ้มรสเหมือนจระเข้ไปทางหูทางจมูกมีการเปรียบเทียบมากมายแลวกันบางทีก็เปรียบเทียบเหมือนจอมปลวกถตาหากหเราไม่สมรวม แต่โอ้จะมรินกาใจก็เหมือนกับเขี้ยอยู่ในจอมปวกแลววิ่งเข้ารูนั้นออกรูนี้มันกลับมาแต่ลทีมันก็เอาสุขเอาทุกข์ติดปายนวล ม, มาด้วยสุขก็คือทุกข์ทุกข์ก็คือทุกข์อย่างเงี้ยยังไงยังไงก็คือความทุกข์ทั้งหมดอันมาเคยทีไปจับน้ําแข็งน้ําแข็งเนี่ยโอ้โหมันลวกตายเคยเห็นคนหนาวตายก็เคยเห็น ฮิมะเนี่ยเราไปอยู่ในฮิมะลองลองมือควักลงไปแต่หวมันกัดมือหนาวจนหัวใจจะหยุดเต้นให้ได้เปรียบเหมือนสุขก็เคยเห็นคนที่สุขแล้วขาดใจตายต่อหน้าตตาก็ เ, เห็นเลยนะมีความสุขมากแล้วก็ร่วงลงมาเลยตายคาดที่ไม่มีใครทําอะไรหนะ่อยตัวเองทํา ต, ตัวเองนะปล่อยจิตมันปรุงมันแต่งไปฝ่ายบวกฝ่ายบุญจนเอาไม่อยู่ สารเอ็นโดรฟินหลังมากเกินไปหัวใจเต้นไม่ทันหยุดเต้นโรคหัวใจแล้วไขมันอุดตันประเภทนี้เนั้นสุขมากๆไปหัวร้อนมากๆการค้างตายก็มกีทุกมา ก, มากไม่ต้องพูดถึงร้อนๆอนเดือดร้อนทุกข์ระทมทรมานตีอกชกหัวตัวเองฆ่าตัวตายท้ายสุดเพราะนั้นวิ่งหาสุขก็เท่ากับวิ่งหาทุกนั่นแหละก็เลยมีการเปรียบเทียบเหมือนกับเฮียอยู่ในจอมปลวก ถ้าจะจับเขี้ยให้ได้จะต้องทำไงก็เหมือนตอนนี้เราสํญญารวมตาเราไม่สนใจหูเราไม่สนใจจมูกลิ้นเราไม่ ส, มมสมนใจเนะเราก็เปิดไว้ช่องหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นเขี้ยวิ่งรู้สึกที่กายนะเดี๋ยวเห็นจิตคิดจิตคิดก็คือเขี้ยวถเห็นจิตคิดมันก็ได้สัมผัสทำอะไรเบื้องต้นรู้สมิธฐานเการ คิดแล้วก็เป็นทุกข์คิดแล้วก็เป็นสุขไอ้ตัวคิดไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าไอ้ตัวที่หลงก็ไปนในความคิดคือตัวปัญหาให้ mm. ความคิดนี่ไม่ต้องห้ามนะเราปฏิบัติทำนะไม่ต้องห้ามปล่อยให้คิดไปเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราคือมารู้สึกตัวเนี้ยแก้มันตรงๆแบบเนี้เดี๋ยวมันก็เลิกพอยศไปเองแล้วก็อ่อนหมดกําลังมันไม่ได้ให้อาหารมาหลายวันมันจะคิดไปทําไม บางเรื่องในฟอหายไปเลย <Yeah. S 1> ปัญหาเก่าๆ ก, ก่อนมาปฏิบัติหายไปเลย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นมันมากพอแล้วนะดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเนย <Yeah. S 1> พอพอเพียงทีเดียว <Yeah. S 1> เราก็เลยเนี่ยมีการมารวมตัวกัน <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็อาศัยเทศกาลของวันวิสาขบูชา <Yeah. S 1> มารวมตัวคนก็หาตาทีเดียว <Yeah. S 1> แต่ว่าพวกนี้ก็คงจะต้องเดินทางล้คงจะต้องไปเผายาย แต่พวกนี้คอสเข้าคงจะดูแลคอสสักหน่อยกลางคืนก็เดินทางแล้วก็พอเผาเสร็จก็ตีรถกลับมาดูคอสให้จบจะมีกลุ่มมาปฏิบัติแปดสิบคนร้อยคนอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ทำให้ดูกันเป็นแบบเป็นอย่างเลยว่าคนเก่าแต่งชุดขาวนุ่งห่มขาวเี้ยเราไม่เวลามาพูดคุยกัน เรื่องเรื่องจับเพเหระนะมันจะเป็นเรื่องของเสียเวลาเวลาชีวิตของเรากันเพราะว่าเวลาล่วงไปล่วงไปล่วงไปบัดเนี้ยเราทําอะไรกันอยู่นะทําในสิ่งที่เป็นพัฒนาการของจิตที่เดินทางสู่นิพพานหรือไม่หนะรือว่ามาเพื่อที่เพียงแค่นะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอารมณนะ์เป็นสถานที่พูดคุยเปลี่ยนอารมณ์การสนทนา อยู่บ้านก็พูดคุยด่าลูกด่าล้านบนมาที่นี่ก็ยังจับเข่าคุยกันเรื่องตัวตนของตัวเองหรืออดีตอนาคตอันนี้มันก็จะเสียเวลาเราให้เคลื่อนไหวหาที่หาทางสงบสงบไม่คลุกคลีแล้วตัวใครตัวเรายกมือสร้างจังหวะเดินยงกลงกันไปหรือว่าจะเข้าครัวก็เข้าไปแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นเขตอาโคจรนะบอกก่อน เข้าไปนี่มันจะติดอารมณ์ได้ง่ายนะเรื่องสัเพเหรอมันจะอยู่ตรงนั้นนะนะเรื่องจริงเรื่องม่จริงก็การกรองเอาเองก็แล้วกันนะนะก็ต้องเลือกสถานที่ต่างๆให้เป็นเรื่องของเกิดอินทรีย์สังวรไดนะ้ตาหูจะบูกลิ้นนะสำรวจมาให้ดีๆแล้วก็ประมาณในการบริโภคให้ได้เสนะนะแล้วกยันปลุกแล้วปลูกท่านร่วมตื่นตัวที่สุด จกรทั่งเหมือนกับว่าเวลานอนสี่ชั่วโมงเป็นการพักจริงๆจิตตกประวังพักหลับปุ๋ยไปเลยไม่ได้คิดอะไรพอตื่นขึ้นมาประมาณตักงตีสองมันก็เริ่มเห็นความรู้สึกตัวที่ตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันนะกับร่างกายของเราที่ลืมตายนะมันจะสดชื่นมากๆเลยถ้าตื่นแบบนี้มีชีวิตชีวามันจะรู้สึกว่าขยันแล้วก็รู้สึกว่าวันทั้งวันเนี่ยมัน มีเรื่องสนุกสนกให้เราได้ใช้กายวาจาใจใช้ท่าสีการห้าของเราทำดีหรือว่าเรียกว่าเป็นการเดินทางเมื่อเป็นประโยชน์ตนก็ต้องเป็นประโยชน์ท่านต่อไปอ ไ, ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยวันตั้งวันมีเรื่องต้องทำเรียกว่าจิตเป็นกุศลเป็นความฉลาดอะไรที่มันเป็นปัญหาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาบางทีคนก็ม า, าเชนช่วงนี้นี่มีช่างมาของานทำ มันเห็นที่นเป็นสถานที่จัดหางานเป็นเป็นแรงงานก็มาของานทํากันเป็นที่พึ่งกันจะทําไงจะปฏิเสธไหมโยมอาตมาไม่ปฏิเสธนะเหตุปัจจัยเข้ามาให้เราได้ทําดีแล้วแหละเหตุปัจจัยเข้ามาให้เมตตาเมื่อมากระจายงานให้มาที่จหางานให้ทําไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็สั่งสาวไว้สิบหกต้นข้างๆจารย์ตุ้มมากันดีแลก็บอกให้สร้าง ก็จะขยายเพลิงแนออกไปนะตรงเนี้ยออกไปอีกสาวสิบหกต้นทั้งแถบใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วเพื่อที่จะเดินจงกรมเวลาฝนตกนะคนจะได้จุอยู่ที่นี่นอยู่ทั้งหมดได้ร0 0ย0 0งคนข้างล่างข้างบนก็วางแผนวาสังกสีอยู่ด้านหลังขาดทัไม้เดี๋ยวค่อยสั่งอีกทีนึ่งในนะอย่างเนี้ยมันเป็นเหตุปัจจัยนะเลยที่ต่อว่าหลวงพ่อเขียนด่านชี้อยู่3ครั้งแล้ว ครั้งทหนึ่งท่านก็บอกให้ต่อเนะนี่ยตัวเนี้ยดีไหมท่านก็ถามกลับเราก็เฉยเฉยเรก็มาอีกแล้วเนี้ยต่อก็ดีนะน่ยครั้งที่สองก็ยังเฉยเฉยอยู่ท่านพูดอีกครั้งที่สามเนี่ยตังนี้ต่อก็ดีนะต้นไม้ อ, ออกเลยนะท่าก็พูดอย่างเงี้ยเนี่ย อ, ออกเลยเนะี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านนะวาตัดไปแล้วก็เออช่างใจด้วยอนว่าต้นไม้เนี่ยเป็นค น, ท, คนทุกคนเป็นเจ้าของอนะ ก็ต้องดูก็ต้องเลือกดูต้นไม้เถาวันก็ตัดได้เพราะทถวันมันพันเกี่ยวดูเรียวรถนะโอ้มันดึงลงมาหมดนะยเถาวันมันขึ้นที่หลังต้นไม้ใหญ่เห็นขึ้นก่อนแต่เวลาฝนตกเนะี่ยมันดึงหักโค่นมาทั้งทถาวันทั้งต้นไม้ใหญ่ล้มระเนระนาดนเลยนะเพราะฉะนั้นเถาวันนี่มันก็มีประโยชน์อยู่แต่ก็ถ้าดูอีกทีเองก็เท่าออกได้แล้วคนมาทําประโยชน์ได้หมายถึงว่ามาฝึกจิตฝึกใจก็เห็นว่า ก็น่าจะได้ประโยชน์แบบนี้ส่วนเถาวัลย์ก็ไม่เป็นไรมันก็อยู่ใต้ดินนั่นแหละเดี๋ยวพอไอ้นี่มันหายไปสลาหายไปก็ขึ้นเหมือนเดิมอีกฮะคนเอาประโยชน์ก่อนก็ได้แต่ว่าเถาวัลย์มึงยังไม่สู้ใจคนนะมีผู้รู้บอกว่าทันยาไว้ใจมนุษย์มันที่สุดลึกล้ำเหลือกหนดอันเถาวัลย์พันเกี่ยวดูเรียวร้ยังไม่คดเท่าหนึ่งในน้าใจคน อ้อันนี้ไม่ต้องให้ใครมาดูเราเราดูตัวเราเองกันดีกว่าขนาดปฏิบัติแต่ละขณะที่ความคิดมันเกิดขึ้นมาโอ้โหใจของเรานะมันติดมันกดมันเคี้ยวแต่ก็ยังมีวิธีมีทางออกจนได้ถึงมันจะทําให้เราทุกข์มากขนาดไหนก็ตามวิชากรรมฐานก็ทําให้เราเนะี่ยเหมือนกับเห็นทางสว่างเมื่ออยู่ในถ้ำมืดเห็นช่องปากทางออกเราก็เดินตามแสงนี้ไป เรื่อ ว, ว่าสติปัญญาสมาธิหรือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะเป็นทั้งสติความรู้สึกตัวจะเป็นทั้งศีลความรู้สึกตัวจะเป็นทั้งสมาธิและความรู้สึกตัวจะเป็นทั้งปัญญาไม่ ม, มีความรู้สึกตัวหนึ่งเดียวพอละพอเพียงส่วนใจวิบดนั่งเดินเยืนนอนแล้วรู้สึกทําม่ได้มารู้ตรงไหนได้ก็รู้ไปรู้ไมมขนานี้นะอาวะกสังเกตมันมีนอกจากความคิด ที่มันอยู่ข้างในแล้วนะมันมีลมมากระทบด้วยลมที่มากระทบเบาเรู้สึกตัวได้จีวรมากระทบอะไรพวกนี้รู้สึกตัวได้มือจับไม้อยู่กำไม้อยู่มันมีอาการเกรงอาการคลายรู้สึกตัวได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตที่มันว่องไวเป็นไหวพิปฏิพิพันนะมันจะอยู่ในแดนงานกรรมมนีโยแล้วก็บริสุทธิบทธ์บริสุทธิ์ทอคือความเป็นปกติจิตตัวนี้แหละมันเป็นเรื่องของมหาสติฐานสุด ที่มันท่องไปในแดนของโลกุธรรธรรมก็คือในแดนที่ไม่ใช่แดนของโลกยะแดนโลกยะคือออกไปพ ung, ไปุ่งไปตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ปรุงแต่งเกิดความพอใจไม่พอใจแต่พอเราเคลื่อนไหวรู้สึกหรือว่ารู้สึกที่กายที่ใจของเราจนเห็นลวดลาย น, นามธรรมตรงนั้นนะ่ะหยุดทีหยุดปรงุงถึงจะปรุงก็รู้ทันอันเนียนะ ดั้นขอให้บรรยากาศของเราที่เรามารวมตัวกันไม่ว่าจะมา1วันหรือมา2วันมา3วันนะจะมาหนึ่งอาทิตย์จะมา1เดือนจะมากี่วันก็ตามสี่สวันก็ขอให้เรานะเข้าถึงสภาวะของความรู้สึกตัวจนทั้งเห็นเสถียธรรมความเป็นจริงนะในเบื้องตน้นในท่ามกลางในที่สุดนะโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนทั้นเตือน